การกล่าวปัญหาเนี่ยนะหรือการถามปัญหาถ้าจะกล่าวไปแล้วก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปัญหาเกี่ยวกับพระธรรมปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยเป็นหลักปัญหาที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็แบ่งเป็นหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับพระปุพพจริยาคุณคือเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติที่ทาให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง อย่างที่สองปัญหาเกี่ยวกับพระสรีระคุณว่าความสงสัยในสรีระต่างๆ น, นะแล้วก็อย่างที่สมก็สง ส, สัยในพระพุทธคุณทั้งหลาย น, นะสงสัยในพระอรหันตคุณบ้างสงสัยว่าพระองค์เป็นสัพพันธ์ูเป็นต้นบ้างเนี่ยนะอันนี้ค่าสงสัยในเกี่ยวกับพระพุทธคุณทั้งหลายสงสัยในความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าแล้วก็อันอันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ในปัญหาบางกลุ่มก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับพระธรรมว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสนี้เป็นธรรมที่ดีจริงหรือเป็นสวากขาตธรรมหรือไม่เป็นธรรมที่นําออกจากทุกข์จริงหรือผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วพ้นจากทุกข์ได้จริงไหมแล้วปัญหาพระธรรมเหล่านี้เป็นสวักขาโตจริงหรือไม่ใช่ว่าพูดแล้วขัดกันเองใช่ไหมหรือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วขัดกันเองอันนีปัญหาเกี่ยวกับสวากขาโต หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของสภาวะธรรมต่างๆสภาวะธรรมของทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์หรือมรรคสัตว์จักปัญหาเกี่ยวกับทุกปัญหาเกี่ยวกับสมุทัยปัญหาเกี่ยวกับนิโรธปัญหาเกี่ยวกับอริยมรรคทั้งหลายปัญหาเกี่ยวกับการกําหนดรอบรู้ในกองทุกปัญหาเกี่ยวกับการละสมุทัยปัญหาเกี่ยวกับการทํานิโรธให้แจ้ง ปัญหาเกี่ยวกับการเจริญอริยมรรคหรือเจริญโพธิปักจัยธรรมทั้งหลายนะทั้งสติปัฏฐานเป็นต้นอันนี้เรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับพระธรรมอันหนึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ทั้งหลายปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติชอบ ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาสามีจิตปฏิปันโนหรือปัญหาเกี่ยวกับว่าเอ๊ะผู้มีศีลเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ทําไมผู้มีสมาธิทําไมเป็นอย่างนี้หรือผ่าหันมีสติจริงหรือมีสติสมบูรณ์จริงไหมอะไรเป็นต้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ทั้งหลายก็แบ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปัญหาเกี่ยวกับพระธรรมแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์น ทีนี้อย่างปัญหาที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะในเวสันตระวัค ก, ก็คือปัญหาวักว่าด้วยพระเวสสันดรเนี่ยนะยกเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องต้นการตั้งชื่อวัคเนี่ยนะวักก็คือบางทีตั้งชื่อโดยยกปัญหาอันแรกขึ้นม า, านะมาตั้งชื่อบ้างหรือเอาปัญหาที่สําคัญสําคัญที่สุดในวักนั้นมาตั้งเป็นชื่อปัญหาบ้าง ก็เวสันตระปัญหาเวสันตระปัญหาก็คือปัญหาเกี่ยวกับปุพพะจริยาคุณนี่นะปัญหาเกี่ยวกับว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านี้อ่าเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่วิเศษจริงหรือก็คือสงสัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ปัญหาอันนี้แค่ว่าสงสัยในมหาบริจาค ซึ่งคุณธรรมของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนยะท่านนั้นเราต้องเจริญคุณธรรมอย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้คุณธรรมของอผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรียกย่อยๆเป็นธรรมหมวดหนึ่งก็คือเจริญกรุณาเป็นหลักเนี่ยนะหวังที่จะช่วยปลดเปลืองสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์อันนั้นคือเรียกว่านับหนึ่งก็ได้ถ้านับเป็นสอง เ็เนื่องจากว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่สะสมบุญกับสะสมปัญญากล่าวว่าบุญยะยานะสัมภาระนะนะกล่าวว่าสะสมภาระคือบุญแสวงหาภาระคือปัญญาที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นนาขวนขวายทุ่มเททุกอย่างเพื่อบุญและเพื่อปัญญาถ้าหากว่านับเป็นสามท่านก็เจริญสุดจริต3เจริญกายสุดเจริญเจริญวจีสุดจริตเจริญมโนสุจริตหรือเจริญอธิศีอธิจิตหรืออธิปัญญา หรือเจริญจริยาสามประพฤติอยู่ในจริยาสามประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกนั่นนะเรียกว่าโลกาถจริยาประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ญาเรียกว่ายาตธจริยาหรือประพฤติคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธถจริยาหรือจะนับเป็นหมวดสี่ก็คือท่านก็เจริญอธิฐานธรรมสี่สังขาวัตถุสี่หรือว่าเจริญพุทธภูมิสี่นี่ะเจริญ พุทธภูมิ4อธิษฐานธรรม4เป็นต้นหรือหมวด5ที่โปร่งเจริญก็คือเจริญอินทรี่ห้นะเจริญอินทรี่ห้บ้างหรือเจริญมหาบริจักห้ประการอย่างปัญหาที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมหาบริจาคนะนะมหาบริจาคคือบริจาคบุตรบริจักพริยาเน้นพิเศษคือเรื่องการบริจาคบุตรซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสงสัยในเหตุหรือข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านะ่นนะ แล้วก็ปัญหาบางทีก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้ า, อาขออภัาพายพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเจริญอัธยาศัย6กเนี่ยนะฮโลภะอโทสะ โ, โมหะทยาศัยหรือเจริญกเนคขมัทยาสัยวิเวกทยาศั ย, ย, ศยแล้วก็นิสระนัทยาศัยนะหรือเจริญ ธรรมะหมวด6อย่างอื่นๆอีกเช่นเจริญพุทธานุสติหรือกลุ่มอนุสติทั้งหลายถ้าเจริญธรรมะหมวด7ก็คือท่านมีปฏิญญาเจประการหรือน้อมอบรมโพชฌงทั้ง7ประการนะถ้าหรือเจริญหมวด8ก็เช่นเจริญห ม, มหาปุริสวิตตก8เจริญหมวด9ก็โยนิโสเป็นมูล9นะนะหรือเจริญหมวด10ก็คือท่านเจริญบุญญากเรยาวัตถุ10เจริญบารามี10อุป ป, รปารามี10ป ร, ม า, ป า, รามัทธาบารมีสิบ หรือเจริญเรียกว่า30ก็คือบารมี30หรือไม่ก็นำหมวด13ก็เจริญทุดง13เป็นตน้นหรือเจริญหมวดสูงๆเข้าไปแต่นั้นก็เช่นสันเลกธรรมทั้งหลายเจริญมงคล38เจริญสันเลกธรรมก็คือคุณธรรมทั้งมวลที่ควรจะเจริญพระองค์ก็จะเจริญทั้งหมดทีนี้บุคคลผู้สงสัยในพระพุทธคุณเนี่ยนะในอดีตต่เหตุหรือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ อย่างว่านะสำหรับผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จะคิดตั้งประเด็นเป็นข้อสงสัยเนี่ยนะตั้งประเด็นเป็นข้อสงสัยแต่การสงสัยมันมีสงสัยสองอย่างการสงสัยแบบคนพานกับสงสัยแบบบัณฑิตการสงสัยแบบคนพาเนี่ยนะสงสัยเพื่อจะหาเรื่องหาปมเพื่อจะทำลายเนี่ยนะนะหาปมว่ามันมีตรงไหนเป็นข้อผิดพลาดบ้างก็เรียกว่าเพ่งโทษ เอ้ตรงนั้นไม่ดีมั่งเนี่ยนะก็จะได้ขุดคุยแล้วก็ถากถางกันทําลายกันอย่างในสมัยใหม่นี่ก็เหมือนกับการประชุมสภาบางทีเนี่ยนะก็คือเพื่อเมือม่อเมื่อหาข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็ทําลายให้อีกฝ่ายหนึ่งแทบไม่ต้องผูดต้องเกิดกันเลยอันนะั้เหยียบย่ําที่สุดเท่าที่จะเหยียบย่ําได้เรียกว่าซ้ําเติมที่สุดเท่าที่จะ ซ้ำเติมได้เขาไม่ผิดก็ต้องป้ายให้ผิดจนได้เมื่อผิดแล้วก็หรืออาจจะผิดผิดเล็กผิดน้อยราวนิดราวน่อยก็ทำซะจนเรียกว่าปี๊บปนหมด น, นนะครับใ น, น, นลักษณะนั้นเป็นเป็นลักษณะของการวิสัยของคนพานิั้งหลายคนพาณทั้งหลายนั้นมีอัธยาศัยเป็นแบบนั้นส่วนถ้าหากว่าความสงสัยของบัณฑิตอันนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉ้าไม่ใช่แต่ว่าเป็นการตั้งประเด็นว่าเอออันนี้มันน่าจะมีปัญหานะ จะแก้ปัญหาได้อย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรอย่างการถามปัญหาของพระเจ้ามิลินก็เป็นเช่นนั้นเป็นการตั้งประเด็นขึ้นมาเพราะว่าอาจจะมีคนพานทั้งหลายตั้งเป็นข้อสงสยัยแล้วก็อาศัยเหตุการณ์เหล่านี้มาโจมตีพระพุทธศาสนามาทำลายพระพุทธศาสนาการถามปัญหาของพระเจ้ามิลินนั้นถามเป็นการถามปัญหาเพื่อการสร้างสรรค์เนี่ยนะเป็นการถามปัญหาอย่าง สร้างสรรค์แล้วก็เป็นการถามปัญหาแบบบัณฑิตสนทนากันเป็นการพูดคุยแบบบัณฑิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอย่างเมื่อคือนเนี่ยสังเกตดูว่าคําบางอย่างที่เหมือนกับว่าพระพระนาเกษเนี่ยนะพูดพลั้งพลาดท่านก็จะเนี่ยบอกเออท่านไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เธออย่ามาพูดนะอย่ามาทําลายคําของพระชินวรวเลยเนี่ยนะซึ่งท่านก็พยายามจะกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะพลาดเขาจะช่วยรักษากัน แต่การตั้งปัญหาถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตอบได้เขาก็ให้ตอบถ้าตอบไม่ได้เขาจะป้องกันกันเขาจะไม่กดขี่เขาจะไม่ซ้ำเติมเขาจะไม่ดูถูกไม่ดูหมิน่นแล้วก็เหยียดหยามเนี่ยนะแล้วก็หาเรื่องเป็นเป็นข้อตําหนิเป็นต้นแต่ว่าจะประคับประคองกันเนี่ยนะจะประคับประคองอ่ะจะเกื้อกูลกันได้ตรงไหนจะช่วยเหลือกันได้ตรงไหนซึ่งธรรมดาเหมือนอย่างว่าแผ่นดินนี้ก็กว้างใหญ่แต่บุคคลที่เดินบนแผ่นดินก็ยัง หกล้มเป็นต้นได้นี่คนที่หกล้มบนแผ่นดินก็ต้องเอามือนั่นแหละค้ายันแผ่นดินแล้วก็ลุกขึ้นชันใดผู้ที่เข้าใจความจริงที่ผิดพลาดเมื่อรู้ความจริงก็ตั้งตั้งมั่นเนี่ยนะตั้งใจที่จะอยู่บนพื้นฐานของความจริงเนี่ยนะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งที่เหมาะแล้วก็สิ่งที่สมควรเนี่ยนะสิ่งที่เหมาะสมไอ้ความเหมาะสมก็คือความสุดจริทางกายวาจาและ ใจเนี่ยนะฮะวิสัยของบัณฑิตทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นท่านพระเจ้ามิลินนั้นเป็นผู้ที่ฝักฝ่ายปรารถนาความจะเป็นบัณฑิตส่วนพระนากะเกษรก็คือเป็นเป็นบัณฑิตที่หาบัณฑิตใดเสมอเหมือนได้ยากส่วนพระเจ้ามิลินนั้นถามปัญหานีานะถามปัญหาเพื่อเพื่อปรารถนาจะให้ตัวเองนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบซึ่งตัวเองก็ไม่อยากกินแหนงแคลงใจ เคลือบแคลงในพระรัตนะไตรขณะเดียวกันเนี <ance> ่ยนะวิสัยของผู้มีปัญญาทั้งหลายหรือวิสัยของคนที่มีอัธยาศัยกว้างขวางนะพวกนี้เขาจะไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวเขาจะเอาประโยชน์ตัวเองด้วยเอาประโยชน์ผู้อื่นด้วยเพนแต่ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยเนี่ยนะจะไม่อยู่บนพื้นฐานประโยชน์ตนอย่างเดียวเพื่อทําลายประโยชน์ผู้อื่นนั้นวิสัยของคนที่มีอัธยาศัยกว้างขวางอย่างอย่างพระเจ้ามิลินเนี่ยนะ เมื่อตัวเองหายสงสัยก็จะช่วยให้ผู้อื่นหายสงสัยด้วยเมื่อตัวเองเลื่อมสายแล้วก็จะช่วยให้ผู้อื่นเขาเลื่อมสายด้วยถ้าตัวเองเข้าใจก็อยากปรารถนาจะให้คนอื่นเข้าใจด้วยแต่เป็นการแก้ปัญหาแบบบัณฑิตเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญมากอันผู้ที่มีบุญมากเมื่อการบริหารจัดการของท่านก็เลยเป็นไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะมาดูปัญหาอันนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆเลยนะ หมายความว่าพระเวสสันดรชาดกจะดีหรือจะเรียกว่าถ้าตอบดีพระเวสสันดรชาดกก็ดีไปถ้าตอบไม่ดีสู่อชาดกเรื่องนี้เสียทั้งชาดกเลยเหมือนกันอันก็มาดูในเวสสันตระปัญหากล่าวว่าพระคุณเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยล้วนแต่ให้บุตรและภริยาหรือหรือว่าเฉพาะพระราชาเวสสันดรเท่านั้นที่ต้อง บริจาคบุตรและภริยาในมหาบริจาค5เนี่ยนะพระโพธิสัตว์องค์ก่อนๆท่านบริจาค ก, กันหรือไม่พระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะตอนที่พระองค์ดำรงอยู่ในพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ยังบริจาคบุตรบริจาคภรรยาอยู่หรือหรือเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นที่บริจาคบุตรและภริยาปนากเกษตก็ต่อว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษ พระโพธิสัตว์แม้ทุกพระองค์ล้วนให้บุตรและภริยาไม่เฉพาะพระพาราชาเวสันดรโพธิสัตว์เท่านั้นที่ให้บุตรและภริยาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของมหาบริจาค5ประการเนี่ยนะบริจาคอะไรบ้างบริจาคบุตรบริจาคภริยาบริจาคราชสมบัติเนี่ยนะเสียสละราชสมบัติบริจาค อวัยยวะสุดท้ายก็บริจาคชีวิตเนี่ยนะก็สละทุกอย่างนั่นเองมันพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าล้วนแต่ทํามาอย่างนี้อย่าลืมว่าไม่ไม่ใช่บุตรเร็วๆเนี่ยนะบุตรเนรคุณเขาเรียกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังในคํำสอนก็ไม่เรียกว่าบุตรในหมู่บุตรเนี่ยนะหรือไม่ภรรยาแหมอยากกยามาตั้งนานแล้วก็ยกให้เลยเอาไปเลยรีบเอาไปเลยเนี่ยนะไม่ต้องเอามาส่งคืนนะเต็มทนไงสมัยก็อยากจะอย่าเต็มทนแล้วก็รำคาญรำคาญว่างั้น ันที่ก็บอกว่าเสียงคนอื่นมันทนได้หมดเว้นไว้แต่ภรรยาตัวเองไหมพูดคาหนึ่งมันํำคาญสุดๆก็ว่างนั้นนะตอนแรกไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยในอ น, นะซึ่งสรุปทบทวนมาว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ล้วนแต่บริจาคบุตรและบริจาคภรรยาทางนั้นแหละปัญหาต่อไปว่าพระคุณเจ้า ก็แต่ว่าพระโพธิสัตย์ย่อมให้ตามความยินยอมของบุตรของปริยานั้นหรือหมายคำว่าพริยาเห็นด้วยไหมที่เอาเขาบริจาคไปเนี่ยนะลูกหลานทั้งหลายเขาเห็นด้วยหรือที่ต้องเสียสละเข้าไปพระนากเซนก็ตอบว่าขอถวายพระพรพระฉายาคือพระนางมัสสีเนี่ยพระนางทรงยินยอมเนี่ยนะคือคือพระนางมัสสีนั้นเป็นคนที่รักพระเวสสันดรมาก คือมีความคิดว่าชีวิตของนางก็เหมือนกับว่าอยู่ในมือของพระเวสสันดรก็สุดแท้แต่พระเวสสันดรจะเห็นสมควรจะทำยังไงก็ได้เนี่ยนะ ก, ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นสมบัติเนี่ยนะซึ่งเก็บใจของตัวเองหมดไม่มีใจเป็นของตัวเลยเมื่อไม่มีใจเป็นของตัวก็มอบใจทั้งหมดให้กับแล้วแต่พระเวสสันดรท่านจะว่าไงก็ว่างั้นแหละว่า ง, งั้นเพราะฉะนั้นพนางมัซีนั้นยินยอมแล้วก็อนุโมทนา แต่พระโอรสพระธิดาเนี่ยนะการหาชาลีซึ่งยังเป็นเด็กก็ร้องให้เพราะความที่ยังไรเดียงสายังเด็กอ่อนมากยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยนะก็หากว่าพวกเด็กๆ เ, เหล่านั้นการหาชาลีเนี่ยรู้เดียงสากันหาชาลีแม้เหล่านั้นก็พึงยินยอมเด็กๆ เ, เหล่านั้นก็จะไม่ร้องให้เนี่ยนะจะยินยอมจะเต็มใจนะเต็มใจที่พ่อบริจาคให้ แต่จริงๆแล้วพระเวสสันดรท่านก็ขอร้องนะท่านก็ขอร้องซึ่งการหาชาลีท่านก็ยินยอมเนี่นะบอกว่าขอให้ลูกจงช่วยยังธรรมาดาวาของพ่อให้สําเร็จพ่อจะพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามได้ซึ่งการหาชาลีก็คือก็ตั้งแง่ตั้ ง, งอง น, นะที่จะไม่ยอมไม่ยอมให้พระโพธิสัตว์บริจาคแต่เมื่อเจอคําขอร้องก็ยินยอมบริจาคไปแต่วิสัยเด็กก็คือวิสัยเด็กเขาเรียกว่าครบเด็กสร้างบ้านนะนะก็อย่างนี้ เรียว่าชาวอย่างซ้ายก็อย่างเย็นก็อย่างก็พร้อมที่จะคิดไปอย่างเลยนะตอนมีความสุขเด็กมันก็คิดอีกอย่างหนึ่งตอนมีความทุกข์เด็กมันก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะเรียกว่าวิสัยเด็กๆ เ, เพราะฉะนั้นบางครั้งก็ยอมบางครั้งก็ไม่ยอมบางครั้งก็เลยร้องหไห้พระเจ้ามิลินก็ถามต่อไปว่าเนี่ยนะเป็นการถามเชิงตําหนิเนี่ยนะเป็นการยกขึ้นมาตําหนิว่าพระคุณเจ้าข้อที่พระโพธิสัตว์นั้นทรงมอบบุตรที่รัก อันเป็นโอรสและที่ดาของพระองค์เองให้เป็นทาสแก่พราหมณ์นั้นน่ะจัดเป็นข้อที่ทำได้ยากข้อที่หนึ่งให้ลูกสุดที่รักไปเนี่ยนะให้ลูกเหมือนกับว่าลูกสาวก็เหมือนแก้วแก้วตาซ้ายลูกชายก็เหมือนกับแก้วตาข้างขวาถึงก็มอบสิ่งเหล่านี้ให้ไปเนี่ยแมมันทำยากนะเนี่ยจัดว่าเป็นในธรรมในสิ่งที่ทำได้ยากนะค่มายาพูดยากนี้ไม่ได้พูดประชมพูดเชิงชมนะ แต่พูดเชิงตำเหน่ามันเกินไปคล้ายๆเงเาจะเอ้ยคนอะไรใจดำขนาดนี้ขนาดลูกรักขนาดนี้ยังให้ได้ไหมกันแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์นั้นเห็นพราหมณ์ผู้นั้นใช้เถาวัลย์มัดบุตรที่รักไนะอันเป็นโอรสและทิดาเกิกว่าลูกในไส้ลูกในอกของตนเนี่ย ผู้อย่างไรเดียงสาอ่อนเยาวของพระองค์เองใช้เถาวันกระชากลากถูเอาไปเหมือนกระจูงวัวจูงควายเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังวางเฉยอยู่ได้อันนี้ก็จัดว่าเป็นข้อที่ทําได้ยากยิ่งกว่ายากเอง น, นะปกตินะแม่พ่อแม่ทั้งหลายแม้แต่กลีบดอกไม้ยังไม่อยากให้ตกใส่ตัวลูกเลยกลัวลูกจะเจ็บแต่นี้แม้ใช้เถาวันเนี่ยมัดทั้งตัวเลยนะมัดแล้วก็กระชากลากออกไปเอาไม่เรียวเนี่ยเคี้ยนตีเป็นต้น แล้วก็เฉยเออนั่งเฉยอยู่ได้อันนี้ก็เรียกว่าโหทำในสิ่งที่ทําได้ยากเหลือเกินเนี่ยนะแม้ข้อที่พวกเด็กๆใช้กําลังของตนเนี่ยนะแก้มัดแล้วก็วิ่งกลับออกมาถึงความหวาดกลัวอยู่พระองค์ก็ใช้เถาวันนั่นแหละมัดนะนะหมายความว่าลูกเนี่ยอุตส่าหนะ์มอบให้เขาไปแล้วใช่ไหมลูกแม่ก็ใช้ความสามารถแก้มัดจนสําเร็จเรียบร้อยวิ่งมาหาพ่อพ่อช่วยมัดส่งให้เขาต่ออีกเนี่ยนะ เอออันนี้ก็จะว่าทำในสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งกว่ายากซะอกีกเนี่ยนะนะอันนี้เป็นข้อที่สามแม้ข้อที่พวกเด็กๆกรำพันอยู่ว่าสเสด็จพ่อผู้นี้เป็นยักษ์มันจะพาลูกเอาไปกินมันต้องเป็นยักษ์แน่ๆเลยพ่อพระองค์จะทรงปลอบโยนว่าอย่า ก, กลัวเลยดังนี้ขอมีไม่เงียบอย่างเดียวเนี่ยนะนะอันนี้ก็จัดเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งกว่ายากซะอกีก ขนาดลูกเหมือนลูกร้องให้ตัวสั่นงั้นงกรำพึงรำพันโอดครวนอยู่นั่นแหละยักษ์มันจะเอาหนูไปกินยักษ์มันจะเอาหนูไปกินเน่ยนะพ่อก็เฉยไม่พูดไม่ปลอบโยนไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยนะเงียบอย่างเดียวใครจะไปทําได้นะแม้ข้อที่เมื่อชาลีกุมารร้องให้เนี่ยนะลูกชายเนี่ยนะลูกชายร้องให้กราบลงที่เ ท, เทา้าวิงวอนอยู่ว่าเอาล ะ, สะเสด็จพ่อ ลูกขอร้องขอจงทรงโปรดให้การหาชินาน้องสาวกลับไปขอให้อยู่กับพ่ออยู่กับแม่นี่แหละส่วนลูกจะไปกับยักษ์คือชูชกว่างั้นขอให้ยักษ์เนี่ยได้กินแต่ลูกคนเดียวเท่านั้นเถิดเพราะฉะนั้นสงสารน้องอ่ะนะสงสารน้องว่ายังไงน้องก็น้องสาวกันหาชินาไม่ต้องการให้น้องลําบากขอให้น้องเนี่ยอยู่กับพ่อเธออ่ะนะพ่อก็เลี้ยงน้องหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะขอไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะ ก็ไม่ทรงยอมรับตามคําวิงวอนขอร้องของลูกชาลีอันนี้ก็จัดว่าเป็นข้อที่ทำได้ยากเสียยิ่งกว่ายากเป็นข้อที่าใครจะทำได้อย่างนี้นะเนี่ยนะปกติลูกชายมาอ้อนวอนร้องกราบแทบเท้าจับขาจับขาสั่นอยู่นั่นแหละนะแต่พ่อก็เฉยอีกเนี่ยนะไม่พูดไม่ยินยอมไม่อนุมัตทั้งนั้นะ แม้ข้อที่เมื่อชาลีกุมาร้องให้รำพันว่าเสด็จพ่อมีพระไทยแข็งกระด้างดังแผ่นศิลาเสียนีกระไรพ่อในใจพ่อทำด้วยหินหรือเมื่อพวกหม่อมฉันทั้งสองเป็นทุกข์อยู่พระองค์ก็ยังเพิกเฉยนั่งเฉยเลยนะกำลังถูกยักพาไปในป่าทึบปราศจากผู้คนพระองค์ก็ไม่ป้องกันคือแปลว่าพ่อเป็นพ่ อ, อยังไง เป็นพ่อที่ไม่รักษาลูกเป็นพ่อที่ไม่ปกปักรักษาลูกเป็นพ่อที่ไม่คุ้มครองลูกเนี่ยเขาจับเอาลูกเนี่ยไปต่อหน้าต่อตาพ่อก็เฉยไม่ช่วยเหลือไม่ป้องกันไม่ปกปักรักษาไม่อารักขาลูกเลยพระเวสสันดรก็ไม่ทรงกรุณาอันนี้ก็จัดว่าเป็นข้อที่ทําได้ยากยิ่งกว่ายากเสีอีกอันนี้เป็นข้อที่6 ข้อที่เจ็ดแม้ข้อที่พวกเด็กๆถูกพรามที่แสนจะร้ายแสนจะน่าสะรึงกลัวนั้นนำไปจนพ้นสายพระนีตพระไทยก็หาได้แตกเป็นร้อยเสียงหรือพันเสียงไม่คือปกติไหถ้าใจของคนที่มีสามัญญาสานึกเป็นพ่อใจต้องสลายเระหว่าช็อกตายอยู่ตรงนั้นแหละแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช้อยู่นั่นแหละจัดว่าเป็นข้อที่ทาได้ยากเสียยิ่งกว่ายากซะอีกเป็น ข้อที่เ น, นะทีนี้ประเด็นประเด็นประเด็นก็คือโหยกมาตำหนิเนี่ยนะจประเด็นหลักด้วยกันคือแสดงว่าพระเจ้ามิลินเนี่ยนะเป็นคนที่เข้าใจพระเวสสันดรชาดกเป็นอย่างดีเนี่ยนะฟังแล้วก็ลำดับเหตุการณ์จัดแบ่งวักแบ่งหมวดแบ่งตอนในเหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าการกุมารเนี่ยกุมารการเนี่ยตอนที่บริจาค ก, กันหาชาลีออกไปเนี่ย เกิดเหตุการณ์ใดๆเนี่ยนะท่านแบบว่าท่านเอาใจใส่สัมผัสเรื่องราวติดตามเรื่องนั้นแล้วมาตั้งเป็นประเด็นได้เจประเด็นซึ่งโอ้โหหัวใจของพระเวสสันดรนี่ทําด้วยอะไรเนี่ยนะ mm hmm. เพราะเหตุไรพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่ใคร่บุญจึงเป็นผู้ที่ไม่ขจัดทกให้ผู้อื่นเราตัวเองต้องการบุญใช่ไหมทำไมไม่ช่วยให้คนอื่นมีความสุข ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทําไมเขาบอกว่าทําไมไม่ช่วยขจัดทุกข์ให้คนอื่นก็แปลว่าตําหนิว่าพระเวสสันดรนั่นแหละเป็นคนที่ทําให้ลูกทุกข์นะี่นะธรรมดาน่าจะให้ทานที่เป็นของของตนไม่ใช่หรือนี่นะทำไมไม่อะไรนะทำไมไม่ให้ทานของของตนอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเขาบอกว่าธรรมดาว่าน่าจะให้ทานของตนไม่ใช่หรือ คือบุคคลเมื่อจะให้ทานก็น่าจะให้ทานที่เป็นของของตนที่ตนมีจิตเลื่อมใสใคร่จะให้เท่านั้นไม่ใช่เอาทานที่เป็นของผู้อื่นไม่ใช่เอาร่างกายเอาชีวิตของคนอื่นให้ทานที่ตนมีจิตเลื่อมใสใคร่จะให้เท่านั้นนั่นนะเออขอไปทำไมต้องให้ทานที่เป็นของผู้อื่นให้ชีวิตอัตภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้มีจิตเลื่อมใสใคร่จะให้ไม่ใช่หรอือ ลูกไม่ต้องการจะไปลูกไม่ต้องการจะถูกบริจาคแต่ทําไมพ่อยังขืนยังฝืนให้ไปทําไมไม่ให้ตัวเองไปละ่ะนะทำไมไม่สละตัวเองไปละ่ะในไหนว่าตัวเองต้องการบุญไม่ใช่หรือต้องน่าจะทําในสิ่งที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างเดียว น, ยนะนะซึ่งตัญหาอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เรียนไม่เริยนถ้าตัญหาไม่เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของพระเวสสันดรระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยยากนะที่จะตอบได้นะเพราะว่ามัน คื อ, คอปัญหาที่เขายกมาเนี่ยเป็นเป็นการยกมาตำหนิอย่างลึกซึ้งว่างั้นนะนะเป็นการตำหนิอย่างประเภทลึกซึ้งว่างั้นเถอะพนาเกษมก็ตอบว่าขอถวายพระพรพระกิติศัพท์ชื่อเสียงของพระโพธิสัตว์ฝุ้งขจรไปในหมื่นโลกธาตุก็เพราะได้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากใช่และสิ่งทั้งหมดที่กล่าวยกมาตัวอย่างเจข้อนั้นนะ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทำในสิ่งที่ยากเนี่ยนะพระองค์จะมีชื่อเสียงอย่างนี้หรือเนี่ยนะกิตติศัพท์อันดีงามฟุ้งไปในโล ก, กทาตในในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นก็เพราะพระองค์นี้กระทำแต่สิ่งที่กระทำได้ยาก พวกเทวดาก็พากันสรรเสริญอยู่ในที่อยู่ของพวกเทวดาเทวดาเขาชื่นชมมากนะอสูรก็พากันสรรเสริญอยู่ในที่อยู่ของอสูรพวกครุตก็พากันสรรเสริญในที่อยู่ของพวกครุฑพวกนาคก็พากันสรรเสริญในที่อยู่ของพวกนาคพวกยักษ์ก็พากันสรรเสริญอยู่ในที่อยู่ของพวกยักษ์ พระกิติศัพท์ชื่อเสียงของพระโพธิสัตว์นั้นฟุ้งขจรสืบต่อกันมาตามลําดับจนกระทั่งถึงสมัยของพวกเราณที่นี้ในปัจจุบันนะชื่อเสียงของพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดร น, นั้นมีชื่อเสียงอยู่จวบจนปัจจุบันปัจจุบันนี้นะเาก็มีเรื่องเทพพระเวสสันดรมาจวบจนปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยนะ แต่ละวันแต่ละวันนั้นมีการเทพพระเวสสันดรไม่ใช่น้อยมันชื่อเสียงการบริจาค ก, การทำได้การทำในสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยชื่อเสียงอันนี้เรียกวะ่าขะจรยาวไกลในหมู่เทวดาและมนุษย์ตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ จ, จนปัจจุบันเนี่ยการสรรเสริญพระโพธิสัตว์ก็ยังมีอยู่พวกเราเนี่ยนะสรรเสริญทานนั้นอยู่หมายความว่า ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระปุพพเจริยาคุณผู้ที่เลื่อมใสในคุณของพระโพธิสัตว์ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธคุณเขาพากันยกย่องสรรเสริญกันทั้งนั้นแต่นี่สิท่านกลับมานั่งเคลือบแคลงใจเสียได้ว่าเป็นทานดีหรือว่าเป็นทานไม่ดีประเด็นของพระเจ้าไม่ลินก็คือว่าเอ๊ะให้อย่างเงี้ยมันให้สมควรหรือให้ไม่สมควร ซึ่งเรื่องราวคนที่เ้าเลื่อมใสเขาก็ยกย่องสรรเสริญบูชานอบน้อมสักการะกันทั้งนั้นแหละทีนี้มานั่งสงสยัยมานั่งเครือบแคลงเอให้อย่างนี้เป็นการให้ดีหรือไม่ดีควรแกการอนุโมทนาหรือไม่ควรแกการอนุโมทนาคนอื่นเขากยกย่องสรรเสริญบูชาเทิดทูนอนุโมทนากนารทั้งนั้นแต่ท่านนี่สิและคือหมายถึงพระราชาเนี่ยนะกลับมานั่งสงสัยว่าทานนี้ดีหรือไม่ดี ขอถวายพระพรพระกิติศัพท์ชื่อเสียงข้อนี้นั้นย่อมชี้ให้เห็นพระคุณสิบประการของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีพระคุณอยู่ส0ประการผู้ทรงเป็นวินยูชนละเอียดอ่อนรอบรู้มีปัญญาเห็นแจ้งคือทุกคนเนี่ยชื่นชมพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดร น, นั้นมีชื่อเสียงมีคุณธรรมมีความละเอียดรอบรู้มีปัญญานนะประจํา เรีว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติประจำตัวเนี่ยนะเห็นชัดเจนเลยประมาณ10บประการด้วยกัน10บประการอะไรบ้างหนึ่งอักเคตาเป็นคนที่ไม่ติดข้องเนี่ยนะไม่ติดจริงๆเลยนะไม่ติดในรูปทั้งหลายเลยนิรารยะตาเป็นผู้ที่หาความอะไรไม่ได้เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีอะไรเยื่อใยในอะไรเลยเป็นคนที่ไม่อะไรเยื่อใยในทุกสิ่งเหมือนกัน แล้วก็จ า, จาโคเป็นผู้ที่จาคะเป็นนักเสียสละเป็นผู้ที่มีความเสียสละจริงๆประหานังเป็นคนที่ละ น, นะละฉันทราคะละอะไรละความเยื่อใยในสิ่งทั้งหลายออกไปได้อะปุณาราวติตาเป็นผู้ไม่หวนกลับมาอีกคือความคิดใดที่ท่านตั้งเอาไว้เนี่ยท่านจะไม่เปลี่ยนใจ คือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นคนที่กลุ่มที่เรียกว่าเป็นพวกที่มีความคิดแล้วไม่ยอมเปลี่ยนใจง่ายๆตกลาตกลงว่าได้ถือว่าตกลงใจว่าอย่างไรแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนใจอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะให้หัวนกลับเรียกว่าย้อนกลับไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฐานะนะนะแล้วก็สุขุมมาตาเป็นคนที่สุขุมหมายคือว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะท่านรอบคอบหมดแล้ว ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่รอบคอบท่านใขครควรพิจารณาละเอียดอนนะนะไขควรคํานวณเบ็ดเสร็จหมดแล้วว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรต้องบริจาคบุตรถ้าไม่บริจาคบุตรบริจาคธิดาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านใขครควรคานวณคิดเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าคนสุขุมสุขุมหมายาว่าเป็นคนที่ละเอียดละอีละเอียดละอี๋่ว่าทุวนทีเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจอันนั้นออกไปนั้นจึงไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มหันตาตาพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่น่าบูชานะเป็นผู้ที่น่าบูชาเพราะเป็นคนที่มีอัธยาศัยเหนื้อบุคคลธรรมดาทั่วๆไปธรรมดาบุคคลทั้งหลายมีอัธยาศัยตรณีพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยในฐานบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะมีอัธยาศัยในความทุศีน้อมไปเพื่อจะ ทู่ศีลปุถุชนทั้งหลายน้อมไปเพื่ออะไรนะบุคคลปกติเลยนะน้อมไปว่าอย่างนี้มันต้องฆ่าอย่างนี้มันต้องริบทรัพย์อย่างนี้ต้องประพฤติผิดในการมอย่างนี้ต้องพูดเท็จอย่างนี้ต้องหลอกอย่างนี้ต้องดา่าอย่างนี้ต้องส่อเสียดอย่างนี้ต้องเพอเจอเป็นต้นเนี่ยนะอัธยาศัยที่จะล่วงอกุศลธรรมทั้งหลายแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านมีอัธยาศัยในศีลมีอัธยาศัยในเนคขมมะมีอัธยาศัยในปัญญา เรียว่าอัธยาศัยในบารมีสิทธิเนี่ยนะนท่านจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาทุรานุโพธาเป็นผู้ที่ใครๆตามรู้ได้ยากคือความคิดของท่านเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในวิสัยขอ ง, ค น, นงนนะคนผ่านทั้งหลายเนี่ยนะคนผ่านทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีไม่มีความเข้าใจรอกว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าคนที่มีอัธยาศัยปรารถนา เฉพาะตัวเนี่ยนะปรารถนะเป็นสาวกธรรมดาทั่วๆไปไม่เข้าใจหรอกว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นคิดอย่างไรหรือคิดอะไรเนี่ยนะมันแม้กระทั่งว่าพระปัจเจกก็ไม่เข้าใจอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเพราะไม่อยู่ในวิสัยก็เลยเรียกว่าเป็นคนที่ใครๆรู้ใจท่านยากเนี่ยนะคือเป็นคนที่เข้าใจยากเหมงอนกันเถอะแต่ท่านเข้าใจคนอื่นหมดแต่คนอื่นเนี่ยเข้าใจท่านยากเนี่ยนะเพราะอะไร พระเขาบอกว่าคนตาดีมองเห็นคนตาบอดไหมเห็นแล้วคนตาบอดมองเห็นคนตาดีไหมไม่เห็นอย่างนั้นแหละต่อไปทุลพตาว่างัน้นเป็นบุคคลที่หาได้ยาก น, นะถ้าหาได้ง่ายก็พระพุทธเจ้าเกิดวันละองวันละองวันละองสิใช่ไหมแต่แสดงว่าแสดงว่าเป็นคนอย่างนี้เป็นคนไม่ใช่หาได้ง่ายเนี่ยนะหายากมากแล้วก็สุดท้ายอัศทิสตา เป็นคนที่ไม่ต้องเอาใครไปเปรียบหรอกว่าเออพระโพธิสัตว์เหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ไม่มีไม่มีใครเปรียบท่านจะเปรียบก็คือเหมือนพระโพธิสัตว์ด้วยกันเท่านั้นเนี่ยนะที่พอจะเปรียบได้พันท่านไม่มีไม่เหมือนบุคคลอื่นพันเพราะท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้หาบุคคลเปรียบเทียบหรือเสมอเหมือนไม่ได้ขอถวายพระพร กิตติศัพท์ชื่อเสียงทั้งหมดทั้ง10ประการที่กล่าวมานี้ย่อมชี้ให้เห็นพระคุณหรือคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าพระองค์ทรงเป็นวินยยชนวินยูชนก็แปลว่าใคร่ครวญพิจารณาละเอียดละ อ, อทีท้วนรอบคอบอย่างละเอียดอ่อนรอบรู้มีปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งคุณธรรมทั้ง10ประการเหล่านี้เพรันสิ่งใดที่ท่านทําลงไปเนี่ยถือว่าพิจารณาละเอียดสุขุมรอบคอบ เนะี่ยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะ